ระหว่างที่รอพระตักอาหารก็ลองฟังเรื่องนี้ดูนะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกันนะวันหนึ่งลูกชายวัยสิบขวบก็มาบอกพ่อว่าพ่อข้างบ้านนี้เขาแอบสอยมะม่วงของเราไปนะคือมะม่วงเนี่ยมันอยู่ติดริมรั้วนะเด็กก็มาฟ้องพ่อพ่อก็ถามว่าเ็าเอาไปกี่ลูก ก็เอาไปลูกเดียวพ่อถามว่ายังมีมะม่วงเหลืออยู่ไหมบนต้นลูกก็บอกว่ามีเอางั้นสอยมา 6- กอา่าหกลูกแล้วกันนะอันเด็กก็ไปสอยมาจนครบมาให้พ่อพ่อนี่แทนที่จะปอกนะกินกันนะก็กลับใส่ตะกร้าแล้วก็ไปที่บ้านที่อยู่ติดกันนั่นแหละ กดกริ่งเรียกนะเจ้าของบ้านก็เปิดประตูพอเห็นเพื่อนบ้านเขาเอามะม่วงมาให้แกก็หน้าเสียนิดหน่อยนะส่วนเด็กนี่ก็ผิดหวังนะเพราะไม่คิดว่าพ่อนี่จะเอามะม่วงมาให้เพื่อนบ้านที่เมื่อกี้นี่พึ่งแอบซอยประหยกหยกเพื่อนบ้านนี่พอได้เห็นมะม่วงที่ นะอีกบ้านหนึ่งเอามาให้ก็น่าเจริญเสร็จแล้วก็แล้วก็น่าเจริญมากขึ้นนะเมื่อคนที่เอามาม่วงมาให้บอกว่าเนี่ยเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะมีอะไรก็บอกผมด้นะนะจะได้ช่วยเหลือกันก็น่าเจริญสักพักนะฝ่ายที่เพิ่งไปสอยมาม่วงมาแล้วก็เลยบอก ว่าเดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวนหน่อยนะรอหน่อยก็กลับไปบ้านเข้าไปในบ้านแล้วก็เอาไข่มาให้นะเต็มตะกร้าเลยบอกผมก็เลี้ยงไก่นะมีไข่เยอะนะก็เอาไข่นี่แหละมามอบให้กับพ่อของเด็กนะทีอ่อยู่ข้างบ้านก็เรื่องก็ไม่จบแค่นี้นะพอเด็กนะกลับไปถึงบ้าน ก็ถามพ่อว่าเอามะาม่วงไปให้เขาทำไมนะเขาพึ่งขโมยมะม่วงของเราไปหยกหยกเด็กก็ตอบว่ า, าพ่อก็ตอบว่าถ้าเราไปทวงมะม่วงจากเขาเนี่ยก็อาจจะได้มะม่วงกลับคืนมานะแต่ว่าจะเสียเพื่อนนะแต่นี่พ่อเนี่ยเอามะม่วงให้เขานะเจลูกนะรวมทั้งลูกที่เขาพึ่งสอยไปนะเป็นแปดลูก เสียมะม่วงไปแปดลูกนะแต่ว่าได้เพื่อนมาและแถมยังได้ไข่มาอีกนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ประทับใจลูกมากนะเพราะว่าพ่อนี่ได้แสดงให้เขาเห็นนะว่าการที่จะชนะใจนะการที่จะชนะเพื่อนบ้านนี่ไม่ได้ชนะกันด้วยการใช้คารมนะแต่ชนะด้วยการให้นะเขาอยากได้มะม่วงก็ให้เขาไปนะ นะชนะใจด้วยการให้อันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะชนะชนะคนตระหนีด้วยการใหนะ้ชนะใจด้วยความดีพรนะพ่ อ, อยังสอนลูกนะว่ามะม่วงไม่สำคัญนะเท่ากับเพื่อนบ้านาคนเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับวัตถุนะมากกว่ามิตรภาพหลายคนนะ พอรูวเพื่อนบ้านนี่สอยเอามะม่วงไปก็โกรธนะก็ไปต่อว่าเพื่อนบ้านอันนี้ถ้าคิดดูดีๆนะนก็คือการให้ความสำคัญกับมะม่วงมากกว่ามิตรภาพนะบางคนก็เวลาลูกตัวเล็กๆแอบขีดแอบเขียนกรีดรถของพ่อเนี่ยโอ้ยพ่อนี่ซึ่งรั ก, ล, ล, ล, ล, กลดกรักรถมากนี่ โกรธเลยนะบางคนนี่โกรธลืมตัวฟาดตีลูกนะลูกนี่ก็เสียใจร้องไห้อันนี้ถ้าดูดีๆนะนิสัว่าเขารักรถมากกว่ารักลูกในยุคปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสาคัญกับวัตถุมากจนบางทีลืมให้ความสาคัญนะกับสิ่งที่มันเป็นนามธรรมเช่นมิตรภาพหรือว่าความรักนะแต่พ่อคนนี้นี่เขา เขาสอลูกได้ดีมากนะว่ามะม่วงนี้ไม่สำคัญเท่ากับมิตรภาพจะให้ไปอีกกี่ลูกก็ได้นะเพราะการให้นั่นแหละมันจะนำมาซึ่งมิตรภาพนะเสียมะม่วงแต่ได้เพื่อนดีกว่าได้มะม่วงแต่เสียเพื่อนนะและกรณีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ได้ได้เพื่อนนะแต่ว่ายังได้ไข่มาอีกนะอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้และความสุข การให้นี่ไม่ทําให้เสียเลยนะการให้นี่คนมักจะมองว่ามันคือการเสียแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันกลับเป็นการได้ด้วยได้ทั้งสิ่งที่เป็นนมามธรรมเช่นมิตรภาพหรือความสุขใจแล้วก็บางครั้งก็ได้สิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมเป็นวัตถุด้วยนะอย่างเช่นได้ขายมาเนะี่ยอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีนะสาหรับคนที่มีเพื่อนบ้านคนที่มีบ้านอยู่ติดกันเพราะว่าหลายบ้านเลยในกรุงเทพในเมืองทะเลาะ ก, กันนะ ทะเลกกาะกันเรื่องสอยมะม่วงบ้างทะเลกกาะกันเรื่องต้นไม้มันไปละเออไปละเอากิ่งไปละบ้านตรงข้ามอ้าบ้านติด ก, กันบ้างทะเลกกาะกับเรื่องขยะบ้างทะเลกกาะกับเรื่องหมา เ, าเห่าบ้างไอ้พวกนี้นี่มันแก้ได้ด้วยธรรมะนะแต่ว่าถ้าใช้อารมณ์แล้วนี่มันก็กลับเสียเพื่อนแล้วก็อยู่อยูอ่เป็นสุขกันได้ยาก อ่ะวก็เตรียมรับพรนะโ ย, ยมก็เตรียมกรดน้ำด้วยนะ